เทศอบรมพระวันที่30กรกฎาคม2 5 2พดผู้เริ่มออกปฏิบัติเทศการโต้อตอบปัญหาจงแก้ภัยในจิตใจของตนดับกิเลสให้ได้เป็นสำคัญเรียนจนคำพีแตกเป็นสรระของใครได้เหมือนพระสาวกท่านที่ปฏิบัติจนรู้ความจริงใหม่ ยงคิดให้ถึงใจอย่ามัวแต่เมาความรู้ที่จดจำมาปลอบปลาพูดการฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นของตนเองให้หมู่เพื่อนฟังตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนจะออกปฏิบัตินี่พูดเรื่องการปฏิบัติของตนฝนตกด้วยขณะเทศพูดจนถึงที่สุดพระหรือฆราวาดที่ปฏิบัติจริงอาจได้ เพราะเป็นธรรมเฉพาะพระอาศัยหลักิชามาสอนมันไม่ทันไม่สงใจการโต้อตอบอะไรก็ดีปัญหาในเง่ต่างๆเราจะไปหาปคำตอบที่ไหนในคำพีก็านมีไว้ทุกนี่ทุกมุมพอเราจะไปหามาตอบให้ทันก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เราเรียนทรภายในจิตใจด้วยที่ เย่ยให้มันรู้ถึงเหียดถึงผลภายในจิตใจทั้งโลกและธรรมกระจ่าง ก, กันทั้งสองด้านแล้วเอาสิจิตจะคล้องที่ไหนผัดที่ไหนเมื่อจิตไม่ติดตัวเองก็เท่านั้นแหละมันไม่ติดจากอื่นสําคัญที่มาติดตัวเองมาหลงตัวเองนั่นด้วยไปไหนได้รอดท่านจป็นไหเดี้ยงตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าจะแคร่ไปแพร่ล่ะ มันเลือกตัเจอขาลงมานะขาต่างตระโจสอนัวจริงแ่หนนี่แหละเริ่มแรกจุดทำงานที่จะกระจายไปทั่วโลกต่างๆให้รู้แจ้งแทงตลอดไปก็เจอขาลงม า, านะขาต่างตรโจหนึ่งจะแจ้งไปทั่วส น, าน้าผนตาก็ออกจากนี่ซะก่อนชักจาายไปออกจากนี้ก็กระจาย ไ, ไปทั่วโลกโลกกวีทูรจืงทุกสิงโลกต่งๆอย อันนี้ท่านใดอันนั้นก็ทัานนั้นไม่ต้องไปเที่อวดูเที่ยวถามใครเห็นอันนี้เชื่อนภายในตัวเพราะมันเหมือนกันในโลกนี้อันนี้จังทุกขังนาตามารู้นี้ทัดแล้วแตกกระจายไปหมดรู้ไปหมดหนะจะว่าไงที่ในจิตไม่มีอัดไม่มีอั้นไม่มีติดข้องตัวเองไม่มีอะไรมาปกปุมมุ่งหอมันดีตัวได้อย่างคล่องแคล่วเนะผู้ที่เริ่อัดเริ่มทำนีนก็แสดงออกพุทธพุทธพุทพร่า นี้เรียนทำพรุวิญญาณเรียนแบบนี้นล้วจะมาเอามาสอนโลกแปดมู่ทำมาขันสี่ขันประมาขันซึ่งนับเพียงพอประมาณเท่านั้นก็ออกจากภาคไทยนี่ท่านมาหาศึกษาที่ไหนมาเลยเฉพาะทำแล้วเรื่องโลกการศึกษาแต่เรื่องธรรมแล้วพระองค์เป็นขุยมครูตรงนู้นเองด้วยการปฏิบัติให้ถึงความจริงโดยพระองค์เองถึงความจรงิงรู้ความจริงแล้วสอนคนสอนสารโลกทําไมจะไม่จรงิง ผูดที่หาของจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่ยอมรับฮะของจริงมีอยู่นี่นสาวกออกมาจากคุณต่างๆพระทามาระรัดับต่อาเศารษฐีกระดุมผีชาวนาคนยากจนสนใจเข้าไปแล้วเป็นสกักยาบุตรทั้งหมดใช้ยันมากยันน้อยขนาดไหนพวกไม่เห็นว่า น, นะทั้งโลกมาเธิดเป็นที่ผูประสานประาเก็เป็นทุกข์ผูมาเถิด ทำวินัยเรากลาดีแล้วคุณทําเราเก่าดีแล้วจนคุณตนมเขความสิ้นสุดของชุบเถอดถ้าผู้ที่ยังไม่ได้สิ้นสุดของชุบผู้ที่สิส้นสุดแล้วมาบวชทีหลังนี่กไม่ไม่ทรงรับสั่งอย่างนั้นแต่ทานว่าตูตตตาเด่นจนที่จูมาเถิดทําเราเก่าดีแล้วเท่านั้นพอนี่คุณถือข้นเดีกแล้วจะมาบวชก็มีนีจบเป็นสนน้อย แล้วสาวลกเหล่านี้ท่านไปรเรียนที่ไหนมาท่ามาต้องสอนโลกนี่แน่นดนะํามากสรนางนังกระสาามนี้นานังกระสามีเราถือตัววานี้ถ้าท่านไม่เกิงไม่เลิกทัางต้ง น, านัางคิตใจไม่เลิศท่านการถ่ออารมณัถ่อสอนสร้านังกระส์ามี้ไหมถ้ไม่ถึงใจโลกพอที่จะชนะสรานังกระสามีได้หรือเรียนมาจนคาทีแตกคนไหนบ้างพอที่เป็นสร้นานังกระส่ามีให้โลกเขากราบไหา้ชนิดใจมันไม่มีนี่นะ นั่นเอาแต่ความจำมาะอวดน้ำลายกันนิสัยความจำมันจะเหมือนความจริงเดิ่ความจริงรู้จริงเห็นจริงเพราะทำจริงปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงพูดได้จริงๆตามหลักความธรรมชาติที่มันเป็นจริงแล้วใครจะค้านได้ค้านไม่ได้เห็นมันต่างกันที่ตรงนี้เพราะะ้นให้เรียนนั้ถึงของจริงของจริงําสมัยขั้งพุทธการขังพุทธการกับของจริงขั้งนี้เหมือนกันคุกขังอรยตัจจังเข้า คงเส้นคงวาสมุทัทยอริยสัจังก็คงเส้นคงวานิโรธนิโรธอ ร, ร, ร, ร, ริยสาาัจังก็คงเส้นคงวามรรคพระปฏิปทาอริยสัจังก็คงเส้นคงวาเเดินที่ไม่มีอะไรบกพ้องเลยพระมหาวิเจ้ามันบกพร่องที่ตัวของเราเท่านั้นแหละเอ้าคิดตัวของเราคืออะไรมีความสมบูรณ์สติฝึกอย่านอนจกจ อ, อย่านี้เถิดจะเห็นอะไดดียิ่งกว่าเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้า ในขณะเดียวกันจะเห็นอันร ด, ดียิ่งกว่าการตั้งสติ<ม>ตั้งมันทั้งวันทั้งคืนสติตั้งได้เป็นของตั้งได้เป็นของบำรุงถ้ามีความถูกต่อพันโดยลําดับจะมีกําลังแข่งแกร่งสามารถได้ปัญญาก็เหมอนกันที่เลือกฝึกเริ่องพุทธะร่ำลุกคู่การเขาไม่เคยวิจา<ม>รณ์แยกแย้อะไรมันก็ไม่เข้าใจที่เรื่อ<ม>เหมือนเราจะอเาเสียมไปผุด ภูเขาทั้งโลกนี่ปรากฏจะเป็นอย่างนั้นอ่ะคือปรากฏเป็นอย่างนั้นอ่ะคือแบเออเปิความเข้าใจพิจารณาเลยไงจิตใจเราก็มืดตื้อกิเลสปัญหาก็ยิ่หนานั่นมันจะไปฝึกไปฟันหรือพิจารณากันรู้ได้อย่างไง น, นี่เวลามันไม่มีกําลังก็คือปัญญายังไม่มีมันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกของเราพอพยายามเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปั ญ, ญญามันก็ค่อยแสดงกําลังตัวออกมาให้เห็น โดยลำดับลําดับที่นีความกล้าหาญตร้องมีขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาก็กระจัดเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปที่สติดปัญญาเขายิ่งเด่นเด่นเรื่อยนั่นการฝึกเป็นอย่างนั้นขอให้มีความขยันหมั่นเพียร น, นักบวชต้องเป็นนักอดทนไม่งั้นสอนโลกไม่ได้ถ้าสอนตอนไม่ได้คนไม่มีความอดความทนคนไม่มีความรุ้สาพ ย, ยายามมีความภาคเพียรเป็นคนขี้เกียจสอนตอนเองก็ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปสอนตอนอื่น หาหลักเป็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่ทำระายพิเรตออกจากสิวใจต้องอาศัยความภาคเสื่อนมีสติปัญญาเป็นหลักสำคัญเป็นเครื่องมือที่ทำสมัยประมวลลงมาในธรรมในโลกนี้ไม่มีอะไรเลิ่ยิ่งกว่าธรรมเราแน่ใจต้นหาที่แย่งไม่ได้ในหัวใจเราไปมีไมายทุกสมยัยในไม้ทุกปัจจุบันนี้ทุกวันเวลานี้ เอกกรก็มันก็เป็นอีหยันซึ่งเคเล่าให้ผมเพื่อนฟังแล้วเกิดความสนใจในศาสนาสนใจเกิดความเรื่มใสพระกรรมาฐานก็เรื่มใสมากตั้งแต่เริ่มต้นต อ, อ้งบวญถ้าเห็นพระกรรมาฐานมาพักอยู่ที่วัดเราต้องไปถึงก่อนเพื่อนศึกษาปารัชญอท่านท่านพูดทุกคั้งนจับใจจิตใจมันชอบคนทิ้งได้ออกมาฐาน เรียเส็จแล้วก็ออกในขั้นเริ่มแรกอ่านนังสือธรรมะธรรมโธธรรมเฉพาะ อ, อย่างนี้ประวัติของพระพุทธเจา้าพุทธประวัติมันเกิดทําซึ่งจนถึงกำลังการล่วงไปเรือรเเ่อยเกิดความสงสารพระองค์ด้วยเกิดความเอาใจจย์ในผลข้าวง่มงที่ตรงได้รับด้วยแล้วจิตนั่นก็มีความก็ะย่แิบอ่อาน ประวัติของตาวกอง์นั้นๆที่ออกมาจากตระกูลต่งางๆมาแล้วมาเป็นแบบเดียวกันอ้าวไม่ได้คํานึงซึ่งความอดจากขัดแคนอะไรทั้งนั้นมุ่งจะอาบแต่ทำเพื่อความพ้นทุกข์โดยแต่เดียวองค์ไห น, นออกมาจากตระกูลใดตระกูลชาตชาตมห า, า, ากระดับเศรษฐีกระดุมผีขนาดไหนไม่เอาเรื่องตระกูลมาเกี่ยวข้องเลยเอาตั้แต่หน้าที่ของพระจนเมตจนหนุน จนได้บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วสอนใครได้แต่ฐานและภาในหัวใจไม่มีอะไรมาติด ม, มาบางมาาังประทะฐานนั่นเอยวาพูดได้ตามความสะดวกออกมาจากใจที่เปิดเผย อ, อยู่แล้วโดยปกติเราพยายามสุดขัดที่แรกมันก็ล้มลุกครานเหมือนกันนะ เริ่มแรกจริงๆเระบวัดเราอยู่วัตถุทานีน้กว้างยกรมทหารนี่แต่เราเริ่มสายทางภาวนาถึงเนี่ยมาถามเรียนถามทั้งปักกูว่า่าวนาจะทำยังไงก็ผมมีความสั้ใจอยากจะภาวนาด้วยท่านสอนก็เอาพุทโธเนี่ยผมก็ภาวนาพุทโธเนี่ยพราว่าเอาพุทโธเรื่อเวลาจะหลับจะนอนเราแวะเวลาหนึ่งชั่วโมงหยุดยืนหนังสือหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละทำภาวนาแต่นั้นเป็นประจำไม่เคยล่ละ ภาวาพุโธพุโทโธทำไปก็ไม่ค่อยสงบหลายค ร, รั้งเลยผลไปสงบนี่พีอพอพุโธโุทโธปรกอบดยจิตมันแน่ของแน่วความจิตที่มันค่อยแน่แน่งลงไปโดยลําดับมันเป็นสื่แห่งความสนใจเหมือนกันนะทําให้เกิดความสนใจสติก็ดีขึน้นดีขึ้นแล้วจิตก็ลงถึงที่กึกโอ้โหพอจิตลงถึงที่เฮ้ทยทำไมจึงเป็นตื่นเต้นอจิตใจรู้สึกมีความตื่นเต้นพูดไม่ถูกเป็นเรื่องอัศจรรย์ เราคงอันนั้นหลักความตื่นเต้นอนู่พอเข้าใจว่าความตื่นเต้นเนี่ยไปรบกวนผิดที่สมบใถ้มันถอนตัวไปมาซะสงบลงไปไม่นานนะแต่พอจับได้ชัดเจนถึงเรื่องอหลักฐานของจิตที่ว่าสงบลงไปแล้วเป็นอย่างไรซึ่งเราก็คยเป็นเลยมาเป็นอ่ทิบายธรรม ตลอดลงไปตลอดไปพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธหายเงีบไปเลยจิตก็หยุดตึ้นเลยลงถึงที่หาออกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างมีเด่นอยู่กันเกิดจิตซึ่งเป็นของอาจารย์อย่างนี้นั่นแหละมันเกิดความตื่นเต้นเดีใจอะไรก็แล้วแต่จะพูดเรไม่เคยเห็นดังนั้นไม่นานเพราะคงเปินเพราความตื่นเต้นเขย่าแล้วเสียลึกสุดเลยถอนออกมาพยายามทําเท่าไรมันก็ไม่ได้ เสียกใจทำอะไรจะเอาอยู่ทุกวันนั่นแหละความคิดกระติดกระตัดผลที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนัง้นมันลืมภาวนาซึ่งเป็นหลักปัจจุบันอันจะยังผลให้เกิดนิสัยมันปะยุ่งกับเรื่องอดีตอารมณ์อดีตนั่นแหละมันได้จริงที่พอจางๆไปเขากล่อยเรื่องอารมณ์อดีตมาภาวนาเป็นอีกพขาเป็นแล้วกระติดก็เป็นบ้าอยูแ่แหละขยับเข้าใส่ อามมาดีนีนยทหาเป็นอย่างนั้นอีกคืง น, นี่เล้วทหเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นดุ น, นอยูุ่นอรลืมเมสียเน่กว่าจะออกภาวนาจริงจริงๆๆเราเป็นถึงสามผลพะนั้นเรียนิถยูถึงเจ็ดตีนะเป็นเพียงสามผนั้นเต้นอย่างบ้าเลี้ยลงถึงขนาดที่ว่าอัศจรรย์ที่ลงก แต่ที่ทีก็ขาดหมดเลยอารมณ์อะไรขาดหมัดในเวลานั้นไม่มีอะไรอหลือเหลือแต่รู้อันเดียวกายก็หายเงียบเลยมันอัศจรรย์อาไรสินี่หละเป็นเครื่องฝังจิตให้มีความสืบต่อที่จะออกปฏิบัติก้าพูดให้หมู่คนฟังได้ในที่เปิดเผยว่าผมนี่จะเรียนจบแค่เรียนสามประโยคเท่านั้น ส่ว น, นักทําจะได้แค่ไหนไม่สําคัญสาคัญที่เปรี่ยนนี่ให้ได้สามประโยชนแล้วผมจะออกอธิบัติแต่เราไม่ได้บอกนะว่าผลของเราที่ใช้ปฏิบัติมาเป็นเครื่องดิดเหนื่อยน้ําใจหรือทำติดใจเป็นแค่เป็นเครื่องดื่มเราไม่ได้บอกเพราะจบประโยคน์สามยานี่อยู่ไม่ได้คําศัตว์เราตั้งไว้แล้วม่าต้องออกเหมือนกับใบไม้มันเหลืองไปหมดถูก ผ, ผู้ใหญ่ท่านบั ง, บงคับไว้ ทำให้ไปไหนยังไงออกอะไรนี่แต่เราไม่ค้านความความจริงภารกิจมันหักไม่รับยังไงก็จะต้องออกเท่านั้นถ้าไม่ออกแล้วก็เป็นโมฆะทิสุขคือขาดความตัดความจริงแล้วเกิดประโยชน์อะไรจะเรียนไปสักร้อยประโยคมันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อข้าคํามตัดความจริตัวให้คลิปถายลงไปแล้วไม่เกิดประยชนังไงต้องออกหายเท่านั้น ก็เหมือนอย่างเทวนาช่วยนะนะตอนีอยู่เชื่อมผมเราอยากออกพุลพลายจะตายปรากฏว่าสมเร็จปัญหาเรียบร้วัดทัางสี่วัดท่านต้ออกไปต่างจังหวัดเราได้โอกาสตรงนั้นแล้วเปิดหนีเลยน ะ, ะเรายังไม่ลืมนะคําสัตยาธิฐานของเราที่ตั้งก่อนตอนพุ่งข้าเราจะออกเดินทางเราเอาอย่างเร็วขนาดนั้นนะเพราะมันถ้าเป็น คนมากเขาเรียกว่ามันจะหล่นอยูแล้วนี่ที่จะออกอยู่แล้วมัคืรก็ตั้งพระญาิฐานขอว่าข้าพเจ้าออกหนึ่งข้าพเจ้าออกได้ด้วยแล้วออกไปแล้วปฏิบัติทำถึงทำมุ่งหมายที่เราได้ตัดปัญหาไว้หนึ่งขอให้มิมิตในทางฝันก็ตามมิกรรู้ในทางด้านทางนาก็ตามให้เป็นของอัศจรรย์ เราเอาความอัศจรรย์ในมิจจะเป็นคําฝันก็ตามเป็นและรู้ในทางภาวนาก็ตามเรายอมรับทั้งสองอย่างเพราะเราภาวนาทุกวันเราไม่เคยละเรียนสุงอยู่ดีถ้าออกออกได้คือว่าออกจากทางเรือนที่ผู้ใหญ่บังคับไปได้แต่ไม่เกิดผลอะไรก็ให้แสดงนี้มิเดียบนั้นแบบออกได้แต่ไม่มีผลให้เห็นเอย่าจ้ะครับออกมาได้ด้วย แล้วไม่มีผลอะไรด้วยก็ให้เห็นอย่างชัดๆสาม ข, ข้อด้วยกันตั้งใจฐานนะเวลาว่าดพระสะมเด็จโดยที่เราตั้งใจฐานอย่างนี้พระก็นั่งภาวนาพระก็ไม่รู้อะไรไม่เห็ น, น, อ, น, อ, ะ อ, นอะไรนอนหรือวัดโบมีว่าน่นืมเมื่อไรก็หกทุ่มไปแล้วนอ น, น, น, ป, นประมาณประมาณตั้งตีสีนี่มันฝันเออทิศดามโอ้โหอาตจันย์์ก็คุกวันนี่คกำฝันนะ่ะ ถ้าหล่ลงไปแต่มันฝันตอนส่วนสว่างไงฮะคือตอนตีสี่ตอนบอกเหาะฮึ่ขึ้นอากาศเหาะรอบนครหลวงแต่ไม่ใช่นครหลวงเพฟเรานะนครอะไรแปลกประหลาดเหมือนนครเทพเหมือนเทวสถานเราเหาะรอบนครสามรอบนครนี่มองชุดสายหนูสายตา มองลงไปไอ้อตึกราม บ, บ้านท่องอ่ะมันเป็นเหมือนหอปร า, าสาทอืาประดับด้วยทองคำด้วยเพชรด้วยพลอยอะไรเงี้ยแควคาไปมดจนอัศจรรย์ในทุกวันเลยนะโอ้โหเมื อ, อไงไทยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนมึงยืดได้ปลูกกันส้างกันด้วยวัตถุต่างๆเหมืองมนุษย์ทั้งหลายสร้างกันเต้นด้วยอด้วยปูนด้วยไม้ด้วยดินเผาอะไรนี่มันไม่มีอย่างนั้นนี่มองลงไปมัน มันเป็นทองเหมือนเหมือนเหลืองอลามไปหมดเลยแถว่ๆอัศจรรย์ชมเหาะไปเรื่อยชมด้วยเหาะรอบพระนครสามรอบนี้ชมเกิดความอัศจรรย์จนถึงใจเหมือนกันเทินถึงสามรอบแล้วก็ที่ลงพอลงมาถึงที่กึกรู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันก็ะงจะเริ่มตื่นสามมีฝังอยู่นะ รู้ตัวเกอขึ้นมาเป็นเตีสิเวลาเตี๊ยสินอดีโอ้โหมีความก็ยิบเต็มที่และยังไงก็สําเร็จตามความมุ่งหมายไม่สงสัยคําฝันนี่เราได้ตั้งเป็นปฏิยาธิฐานอย่างเต็มที่แล้วกิดแน่วแน่ที่สุดในขนาดที่ตั้งปฏิยาธิฐานไม่ได้ก็บอกแรกคอนแท็งเลยเราแน่ใจยังไงเราหนึเราต้องได้ออกสองออกแล้วเราจะต้องเราต้องสําเร็จตามความมุ่งหมายของเราโดยไม่สงกัยพอตื่นข้า ม, มา แล้วมันมีความดีใจภูมิจะหูเย็นไปหมดวันนั้นพอฉันเสร็จแล้วก็ออจกับลาสมเด็จองค์เกิ๋งสมเด็จติดสาติดโถอ้วนมาบอกว่ า, า, วาเออเราจะไปก็ดีอะให้ไปช่วยทำพิธีญานที่วัดสุท่ากินดาหน่อยนะหวังนั้นเก้าก็จะว่าจะไปทางโน้นเนี่ยก็ว่าเราจะไปทางโน้นปัญหาจะเราไม่ได้หวังจะช่วยเพราเพือพ่อเพือพ่อท่านเปิดโอกาสเก้าจะไปทางโน้นเลยเออไปได้ เพราว่างั้นเราก็เตรียมตัวออกเดินทางในวันนั้นอยู่นะฮะเห็นว่ามันมันโบราณกนะ็ไม่ใช่อะไรโบราณนะเลยไปธรรศาสตรจักกลังน่เปาา็นาจกะละอโพจักรกละเมภาวนาเป็นเม็ดจํานวนเพราะตั้งแต่ออกไปตั้งหน้าตั้งตาเอากิงเอาจรงคราวนี้เราจะให้เห็นจิตที่เราปรากฏสามครั้งนั้นให้ได้ทีเดียว คราวนี้จะแม่มันเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วสองปีสามปีซึ่งปรากฏผลหนึ่งนี้ไม่เอาคราวนี้จะเอาใหามันอยู่มือทีเดียวออกมาก็เอาจริงเอาจังอย่างนี้ใส่เราเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีแต่ภาวนาทั้งนั้นเรื่องการเรื่ ง, งานอะไรไม่ยุ่งมายุ่งไม่ได้ถึงก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นปรากฏเด่นปรากฏเรื่อยอั น, นันอ เล่นสองคืนสามคืนปรากฏเล่นสองคืนสมคื น, คนปรากฏต่อแล้วก็ปรากฏทุกคืนแนว่วแนว่วแนว่สมาธิเก่งมาแต่มาเสือ่อมไปเล่าให้ฟังเลยมาเสือ่อมจึงมาคลิก ไ, ได้อีกตอนไปอยู่ท่านอาจารยนั่นนั่นมาเร่งยาดเร่งจนเก่เป็นกรต่ายจึงก็ทันตาสิกนี่แหโอ้โหท่านผ้เาบวตมานี่พูดถึงเรื่องความร่างหมทางร่างกายนี่ท่าน รราเก้ายุ่งไปแล้วนะั่นไปถึงพันไปเข้าพรรษาจิตหนักมากทางทางร่างกายนี่หนักมากทางจิตใจก็เข้มแข็งอยู่แล้วทั้งร่างกายหนักมากเพราะว่าเราได้นั่งถึงตลอดลุ่มตลอดลุ่มนะนั่งแต่ละคืนทุกคืนอยู่โอ้หมันเหมือนตายไปแล้วพ้นกลับคืนรว่างเพรเหตุใดเพ่อะเหตุว่าจิต มันไม่ได้อย่างใจทุกๆครั้งไปที่เรานั่งตลอดวันบางคืนหกทุ่มยังลงกันไม่ได้นั่นแหละคือมันบอกท่าม้าพ้นทางด้านปัญญาเนี่ยที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิเราได้จากการพิจารณาขา้างหลังนี่เมื่อสติปัญญามันทันกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นทุกเวทนาเป็นต้นแล้วจิตมันทุกเวทนาก็ดับเพิบลงไม่มีอะไรอยู่แล้วเลยแม้ร่างกายที่นั่งโดดที่แบบหายเงียบ ได้จากความรูม้สึกเหลือแต่ความรูม้ล้วนๆเป็นของอัจฉรยะนี่ได้จากความเด็ดเดี่ยวอาหารได้จากความจนกอรอกพวกเวทนามันไอ้ต้อนเราเหมือนกับว่าเราจะแหลกกันถุยผมแต่ถ้าติปัญญาก็มุกเบิกออกมัได้นี่เราจึงกล้าพูดว่าคนเรานะ่ะไม่ใช่จะโงัอยู่ตลอดวเวลาเมื่อถึงขั้นจนกรอกแล้วมันหาทางออกได้ฉลาดไดเ้เราก็เห็นเรื่องของเราที่เกิดเป็น ในตังน้งแต่ยังไม่เข้าพรรษามเร่งใหญ่แล้วความเพียงเร่งข้อจิตไม่เสื่อมแล้วตัง้งแต่เดินเมษามาแล้วไม่เสื่อมจนกระทั่งถึงเขรษานีมันนั่งตอลอดรุ่ง ม, มันไม่ทราบผีคือเนี่ยเอาใหญ่จริงเนี่ยเพราะเหมือนกับปลูกอาขานนะอาขานเรื่องความเสื่อมของจิตเนี่ยคราวนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมคราวนี้ให้ตายเสียเลยเอาสู้กันขนาดนั้นเดียวไอ้เรื่องจะถอยนี่ไม่มีอาจิตนี้จะเสื่อมก็ให้ตายเอาตายเท่านั้นหละว่ า, ากัน มันก็ฟาดกันอย่างหนักมีเวลานั่งเราลงนี่โอ้โหทุกเวทนาถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายเช่นหนนั่งประมาณสามสี่ชั่วโมงมันลงได้มันก็ไม่ไม่บอกท่านะร่างกายเรานั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญที่จิถ้าวันไหนจิตที่เรนานยากลาบากวันนั้นสุขภาพของเราโทรมมากทีทุกโทรมมากเจ็บปวดมากวันไหนพิจารนา ได้อย่างใจพอกําหนดปั๊ได้ความได้ความที่นาไปปั๊บป๊ได้ความเดี๋ยวกับพุ่งลงเลยพอถามขึ้นมากำหนดที่นาอีกได้ความอีกได้เรื่อยกตออย็ตลอดลุ่มมันรวมถึงสามหมุดถอนมาถึงสามหมุดตลอดลุ่มพอดีวันเช่นนั้นดูออกากที่ไปได้อย่างสบายเหมือนกับรเราไม่ได้นั่งตลอดลุ่มถ้าวันไหนสิต ด, ดีมันาจิตไม่ดีนั่นสิคือปัญญาไม่ทันกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหะมัน รู้สึกว่าทุกข์มากที่สุดพารษานั้นพอเราบวชมานี้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเป็นพรรษ์เป็นพรรษาเก้าพรรษาสิข์เ อ, อพพาพรรษาเก้าออกไปแล้วการเดือนเมษาของพรรษาเก้าที่รวงไปแล้วฉะนั้นเราเร่งดายจนกระทั่งออกพรรษาฉะนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งอีกเลยมีเป็นความลำบากทีนี้จิตก็เป็นสมาธิได้แน่แล้วแน่ตั้งแต่ตั้งแต่นั่ง มาคิตลอดรุ่งด้านนั้นแน่แน่ขนาดที่ว่าเออต้องอย่างนี้ทีนี้ไม่เสื่อมนั่นรู้นะรู้นี่สนะิมันเหมือนก็มันขึ้นพักเป็นพักขมันปั๊เกาะติดกันปั๊ไม่ตกคงณยังไงวะไม่เสื่อมมันแน่ก็ไม่เสื่อมจริงๆริงส่วนปีนขึ้นไปข้างหน้าปีนขึ้นไปสูงขึ้นไปมันก็ปีนตกปีนตกเพราะมันยังไม่ได้ฝังหละมันไม่ได้ที่ของมันมันยังไม่ทํางาน ปีนึ่ไปตกมาปีนึ่ไปตกมาพอปี น, นี้เราเป็นที่เติดครับปั๊บอยู่ไม่เสื่อมนเนี่ยมันรู้เป็นสัตว์นั่เป็นขัาานขัมันแต่ใครจะมาฆ้านะันไม่ได้นะพูด ต, ตามเร่องความจินของใครของเราจะมาฆ้าไม่ได้เห็นอย่งนั้นจบจิตมั น, มนเป็นสมาธิแนว่วเอากําหนดเมื่อไรเป็นสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ว่าไยืนเดินนั่ ง, น, งนอนเป็นสมาธิอยู่ตลอดจิตสร้างฐานได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหินทั้ง ภูเขาทั้องลูบในจิตแน่นตึง เ, เที่ยงแต่มันไม่ออกทางปัญญามันติดสมาธิจริเงเสียที่ได้โค้นทางด้านปัญญาเมื่อได้รับการดุจาร่างกาจากพราแม่คือการมั่นอ่แล้วที่ได้ออกพิจารณาเมืเม่อออกพิจารณาความคิดก็สมาที่มันพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ปัญญามันไม่ทํางานเฉยเพรา ะ, ะนั้นมันจรงิงเป็นปัญญาให้ไม่ได้นี่เราก็แน่ใจว่าสมาธิจะเป็นขนาดไหนก็ตามเธอถ้าลงไม่ได้ใช้ปัญญาออกคิดแล้วสมาธิจะ ทำปัญญาให้เกิดขึ้นเองนี่ไม่มีทางว่างนี่เลยเราเราเชื่อเพราะเราติดสมาธิมาตั้งห้าปีหกปีพอออกพิจารณาเท่านั้นก็ค่องแค่วพิจารณาอะไรก็พอจิตไม่กังวลกับอะไรี่จิตมันอิ่มตัวจิตอยู่ในสมาธิจิตมีความสงบเขาเรียกว่าจิตอิ่มตัวไม่ยิ้วโหยอะไรกับอารมณ์อะไรลูกเสียงสิ่นรดเครงเสผัดไม่มายุ่งมีแต่วความสงบจิตเย็นใจอยู่ตลอดเวลานี่เวลาเรา ออกทางด้านปัญญาทีพ right. ิจารณาอย่างนี้น right. right. ัยน mm ี hmm. ้นยมันเป็นหน้าที่การงานนี่นั้นจริงจริงมันไม่ไปสนใจว่าเราตั้งหน้าตั้งตาทางานนั้นจริงจิเพราะไม่หิวไม่โหยไม่มีอะไรมาแย่งมาขีนเอาจุดตัวนี้ไปด้วยความหิวโหยนะมันไม่มีกพิจารณาเรนก็รู้แจ้งเห็นชัดโดยลําดับลำดับเอ๊ะข้าพนข้าพนท่านผู้่อนน้นมันก็คุ้งเลยอ่าแล้วปัญญานี่เราพิจารณาที่เรื่องสติปัญญาทีแรกมันรู้รู้คั้นอย่างนั้นแหละท่านต่อมามันเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาด้วย ความคมมุ่งส่งเสริม อ, อยู่เสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละไม่ป่อยไม่วางเป็นอย่างนั้นจนร่างกายเป็นสติปัญญานา้ําเป็นน้นาําส้ำน้าซึมไปเลยคือไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งผลน้ําส้ำน้ําซึนอย่างนั้นแต่สติปัญญาอันนี้กเหมือนกันเมื่อเห็นคุณค่าของสติปัญญานี้แล้วกับเห็นผลของสติปัญญาที่ทํางานขึ้นมาและการแก้กระเดิดตัดกระเดิดนี่มันตัดด้วยปัญญาทั้งนั้นเ น, นี่ยที่ สมาธิเป็นอย่างรวมตัวที่เดือก็มาอยู่ด้วยกันเข้ามารวมเข้ามาในวงแคบเท่านั้นแต่ไม่ไม่สามารถที่จะทำงานที่เดือกได้มันรู้แต่ชักหน่อเป็นปัญญาทีเดียวเป็นผู้ทำละหรือปับที่เหลือกได้เป็นประเภทประเภทออกไปโดยลำดับผหมไปตัดกับใจที่นี่มันก็หมุนจิ๋วอยู่จิ๋วไม่มีกําลางกางคคนเรื่องร่างกายมีอณูการสุขภาพร่างกายสุขภาพี่มันเด่นมากของเราผมเองเนีสุภานี่เด่นมากทีเดียวกำหนดกายของนี่มันเป็นอ นังไม่มีมีแต่เนื้อแดงโลออกจากนั้นกําหนดจากนั้นมันทังกันลงไปเหนี่ยวแต่ร่างกระดูกกำลังแต่ล่างกระดูกมันขาดแต่กั น, นขาดไปโดยลําดับลำดากองนี่ใน ด, ดินความรวดเร็วของปัญญาจากนั้นมันยิ่งเร็วเราตงเชื่อเรื่องการสึกผลอบเมืนเนี่ยนานแต่ไม่คล่องตัวไปเหมนเช่นอั่าเขาฝึกหัดมวยก็เหมือนกัน จะเป็นแชมป์เปี้ยนแชมเปิลมันไปจา ก, กาลูกคู่ค้านั่นแหละอืมันคล่องตัวแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นมีต่อเหมือนกันปฏิปัญญาคล่องตัวแล้วขี้เลยมันก็อ่อนกําลังลงไปอ่อนกําลังไปเวลาเราพิจนารณามันเหมือนโลกไม่มีแนละ้วมันมีแต่ ง, งานของเราเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกได้เลยจิตไม่ส่งไม่ทายไปไหนข้างหน้าทัางตาทา ง, า, ท า, ง, งานทําด้วยความสนใจทําด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆ แล้วมันกับพ้นไปไม่ได้เมื่อจิตมันจดจ่อแมันก็เหมือนกับ น, น้ำ ม, มันไหลพุ่งลงทางเดียวมีกําลังมากจิตมีหน้าที่ที่จะรู้จะเห็นจะพิจจะนาปัญญามีหน้าที่ที่จะพิจารณาจิตเป็นผู้รู้การเห็นตามปัญญาเป็นช่องเดียวช่องเดียวช่องเดีย ว, ท, ยว ท, ทะลุทะลุไปเลยถ้ามันก็ทะลุันได้มันละเอียดจริงๆก็คือเรื่องการมาลาคะถ้าว่าเป็นนินสัย ถูกเอาเขากินนี่ยันไงเขต้องสำคัญตนพอไปถึงขั้นมันด้เอียดขั้นมั น, ม, นมันนอนตัวมันมันหลบค่อนหลบค่อนจริงจริงามมาราภแต่ก็อารศัยสติปัญญาคุ้ยเสี่ยขึ้นมาจนได้จนเห็นทัดแล้วฆ่าได้นี่มีอันนึงมันเป็นเช่นนั้นแล้วพูดมากกอ่านี้เดี๋ยวจะเป็นหมายผู้ปฏิบัติ ท่านละเอียดเข้าไปก่อนนั้นอยู่ก็คืออวิชชาอันนี้ก็เคล็ดลับสำคัญอีกในการทําให้ติดได้อย่างน้อมไม่รู้ตัวเลยล่ะอวิชชายิ่งกล่อมด้วยสนิทกล่อมยากแตขั้งสติปัญญาที่เป็นอมมัตโนมัให้นอนใจแต่มันโค้นสติปัญญาอันนี้หมุนตัวตลอดเวลาเดี๋ยวก็มารู้พอามาสะดุดก็ไนดน้สะดุดแล้วก็หมุนติ่วเข้าไปในตรงนั้นมันก็พังไปเลยละลายไปเลยนั่นหละพี่มีอะไรเหลือ นั่นเรเรียนโลกจบจบตรงนั้นนะเรียนสมมุติจบจบตรงนั้นจบต้องอวิธาทังทลายลงไปจากใจไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ใจคือบริสุทธิ์ล้วนๆเวิ้งว้างมันมีอะไรเป็นเครื่องหาย ม, มีมิตอะไรเป็นเครื่องหมายทางในจิตใจเลยเพราะไม่มีสมมุติน ไ, ไงหลังรู้แท้นั่นนะอันนี้นราเรียนจบเรียนโลกจบจบตรงนี้เรียนธรรมจบจบตรงนี้โลกกับธรรมอยู่ด้วยกันเรียนโลกจบ เรียนทำทำต่อโรคเป็นท่านๆไปจนกระทั่งถึงอวิชชาที่ละเอียดที่สุดก็เป็นสมมุติสมมติเขาเรียกเรียกว่าโลกได้เหมือนกันเนี่ยมันมันเป็นสมมุตินั้นเรียกว่าโลกเท่านั้นแหละแยกก็ไปแยกก็ไปแยกก็ไปเอาจนมันเข้าใจถึงที่แล้วนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีเหลือแต่ความวบิงว่างเป็นอิสระเสรีเอาดูอะไรดูได้เป็นหูเป็นตาฟังได้ทุกอย่าง ใครจะวาตำหนิว่าดีก็ตามเชั่วก็ตามลูกจะเป็นลูกขี้เลี้ยี้เละลูกสวยลูกงามสงหลายก็ตามดูได้หมดที่นี่นั่นแหละเรียกว่าอิสระหูตาก็เป็นอิสระข้อใจเป็นอิสระหูตาเป็นเพียงทางเดินของใจเท่านั้นดูนั่งลูกถห็นลูกเสียงกลิ่นรถเครื่องทั้งผัดมันเป็นทางเดินของใจออกมาอิสระภายในนี่ออกมาสวยอิสระายนอกลูกเขียนกลิ่นรถเครื่องทั้งผัด เนี่ยกิการปล่อยวางหมดแล้ามันสมมุติกับวิมุตห์เน่ยมันไม่เข้ากันแล้วมันเป็นอยู่คนละฝ่ายและทํามาไงก็อย่างนั้นทำมาคนละฝ้ายนี้ก็เป็นควเปียบเทยียบยกขึ้นมาเฉยนะจิดนั้นเราจะพูดว่ามัภาคนั่นภาคนี้ไม่ได้รู้เด่นมีอย่างนั้นแหละแต่แเราจว่าเป็นลนาายยักษณะใดจนพูดไม่ได้อันนั้นมันไม่ใช่สมมติสมมุติเราพอเปรียบเทียบกันได้เนี้ยฉะนั้นท่านก็นยังบอกว่าจิต บ, บริสุทธิ์เนี่ย ก็เป็นสมมติอันหนึ่งเหมือนกันถ้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมาติาานั้น น, น, นั้นนิทานบ้างอะวิสุทธิจิตบ้างานี่ตะชื่อไปให้ชื่อท่านนั้นนี่นะรู้ว่าจริงจริงไม่เป็นอย่างนั้นหรือโลกว่ามีสมมติจะต้องทำคุยหมายท่าทางว่าให้เข้าเข้าใจกันเพราะว่าเมืม่อรู้ตัวเองแล้วมันไม่มีปัญหาเราจะมีชื่อไม่มีชื่อไม่สนใจเสมตมติว่าเราละทานอืน่นกันมที่ อ, องนี้นจมีลักษณะท่าทางยังไงก้มอื่นอาหาร ความอื่นมันเป็นลักษณะยังไงก็ไม่จำเป็นต้องถามใครถึงจะอธิบายก็อธิบาไม่ถูกทางคนต่างก็อินด้วยกันนะมันก็รู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องอคนอื่นแข้าวตั้นนะ อ, อ่ะอุายาธาิบารนี่ก้ยผมว่ามนึนว่าต้องวันนี้ไม่าจบ